ใจฟังฟังด้วยดีย่อมมีปัญญานะโยมผู้ชายทั้งพระทั้งหมดทั้งสามท่านเนี่ยเป็นพระและวโยมที่ปฏิบัติมานานๆทั้งนันน้นน่ะเอาคุณปฏิบัติใหม่ๆบางว่าฟังแล้วเข้าใจไหมโยมนุษนั่งฟังเนี่ยเข้าใจไหมที่เขาพูดอะไรกันไม่เข้าใจนะแต่ปฏิบัติแล้วเข้าใจเข้าใจที่ตัวเองเข้าใจนะลองพูดในส่วนที่ตัวเองเข้าใจดูนะว่าเป็นยังไงบ้าง งังกลับนำมส ก, การหลวงพ่อแล้วก็พระเถระทุกรูปพระภิกษุสามเณรแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชีแล้วก็สวัสดีญาติธรรม ท, ท, ทุกท่านค่ะก็เท่าที่ฟังมาก็ก็ต้องขอ พ, พระพิ้งท้าอาจารย์ประพันธ์เหมือนกันไปเก็บอารมณ์ที่คุณห้อยสวดกับหลวงพ่อนี่ก็ก็ก้กาวหน้าในตัวเองนะคะระดับหนึ่งแล้วก็ ตอนออกมาจากคุณห้วยสวนเนี่ยเริ่มเข้าใจคำว่ากายกับใจไปพร้อมกันตอนนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงจริงแล้วเหมือนเป็นคนเฉยนะคะแต่ว่าใจข้างในเนี่ยมันจะเร็วมันจะร้อนแต่ว่ากายข้างนอกเนี่ยมันมันเหมือนมันตอบสนองกันไม่ทันเพราะเป็นคนช้าแต่ข้างในมันเร็วมันก็เลยเหมือนเหมือนมันตีกันนะคะแล้วพอพอออกมาจากห้วยสวนนี่ก็เริ่มเริ Leh> ่มเข้าใจแล้วก็เริ่ม เริ่มที่จะกาหนดอริยบทส่วนใหญ่ก็จะทันจะได้ในเรื่องของอริยบทการเดินก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอริยบทอื่นๆก็ก็ยังบางครั้งมันก็ยังมีที่ที่มันยังไม่ไปพร้อมกันทีนี้พอมาที่นี่เนี่ยค่ะพระอาจารย์ราพันก็เมตตาให้คำแนะนำสอนเพราะว่าปฏิบัติอยู่อยู่ใกล้ๆท่านแล้วท่านก็ดูแล ท่านก็มีเทคนิคเยอะให้เกี่ยวกับเรื่องของการการเปลี่ยนอารมณ์ค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยดูเหมือนเป็นคนเฉยเฉยแล้วก็มันมันเหมือนมีทิฏฐิอยู่ข้างในว่าคือเราทำอะไรแล้วเราก็ต้องแบบจริงจังกับมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เวลาเราเดินเราก็จะเดินแล้วอารมณ์มันบางทีมันแช่แล้วก็พระอาจารย์ก็แนะนำเทคนิคการเปลี่ยนอารมณ์ปกตินี้เวลาเราเลือกทางรงกลมล้วก็จะเลือกที่มัน มันราบเรียบเพราะว่าเราคิดว่ามันจะเดินแล้วสะดวกแต่ว่าพระอาจารย์ก็แนะนําว่าเออทางเนี้ยมันมีรากไม้มีก้อนหินก้อนกลวดซึ่งมันก็ช่วยเราในเรื่องของการเปลี่ยนอารมณ์เพราะาเดี๋ยวก็ไปสัมผัสรากไม้เดี๋ยวก็ไปสัมผัสก้อนกลวดแล้วก็สัมผัสทางเรียบเรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้อารมณ์เราไม่จมแช่อยู่กับอารมณ์เดิมเดิมแล้วก็เพราะว่าปกติเนี่ยคือคือในเรื่องของความเพลินความเผลอนี่ก็ก็รู้จักมาจากด้วยสวดแล้ว แล้วก็เราก็มาเจอตัวเพ่งตอนวันท้ายๆของที่ที่เก็บอารมณ์แล้วพอมาที่นี่ก็มาเจอเพ่งอีกก็เลยมีความรู้สึกว่าเ อ, อิ่มตัวเพ่งนี่มันจัดการยากเพราะมันเหมือนมันเลยไปจากความเผลอความเพลินคือมันจะหนักกว่าแล้วมันจะรู้ช้ากว่าแล้วรู้แล้วก็จัดการยากแต่พอพระอาจารย์ประพันธ์แนะนำเนี้ยก็ก็ทำให้จัดการเรื่องความเพ่งได้ มันก็ตัวนี้มันก็หมดไปแล้วเราก็ไม่กลัวตัวง่วงเพราะว่าเราก็รู้จักกับมันในเรื่องของการสังเกตความเพลินว่าก่อนที่จะไปเป็นง่วงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยก็อยากเหมือนลองของก็คือว่ามันจะมีความง่วงสองแบบที่ ท, ที่อย่างที่ทราบกันก็คือความง่วงที่เกิดจากธาตุแปรปวนในร่างกายก็จากอาหารแล้วก็ความง่วงที่เกิดจากเหมือนเป็น คล้ายๆเป็นนิวร์ที่ที่เราทั่วๆไปอะคะ่ะคือทำไปก็เบื่อเบื่องง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูก็คือว่าพอหลังจากทานอาหารใหม่ๆเนี่ยก็ไปอาบน้ำแล้วตัวเองนี่เป็นคนมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารการย่อยย่อยช้าคือระบบในร่างกายภายในนี่มันช้าทุกอย่างเลยการขับถ่ายระบบการย่อยการดูดซึมช้าหมด แล้วก็พออาบน้ำเนี่ยมันอาหารมันก็ไม่ย่อยแล้วมันก็เกิดความง่วงมากแต่แต่ก็ได้จากอาจารย์เข็มอีกเหมือนกันที่ที่ฟังก็คือว่าเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเองจะเหมือนตั้งใจอะคะ่ะถ้าเกิดง่วงเนี่ยมันเหมือนเป็นอุปสรรคทำให้เราเหมือนเสียเวลาขั ด, ข, ดขวางเราแล้วมันง่วงนานด้วยเพราะว่ากว่ามันจะย่อยหมดมันใช้เวลานา น, านมากประมาณสองสามชั่วโมง แล้วทีนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีปัญหาง่วงก็ง่วงไป ก, ก็บางทีก็นั่งหลับตาแตก่ก็พยายามสร้างจังหวะคือจะจะไม่อยู่นิ่งจะไม่ให้มันหลับแบบน็อกก็คือเอาโน้นเอานี้มาเล่นเหมือนเหมือนเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยทํานูน่นทํานี่นะคะก็สร้างจังหวะเดินจงกลมแล้วมันก็เหมือนเมาเมาในหัวเหมือนคนเมาอาหารอาการเหมือนคนเมาอาหาร แล้วก็พอพอมันย่อยหมดมันทำหน้าที่ร่างกายมันทำหน้าที่ของมันเสร็จเราก็กลับเข้าสู่โหมดปกติเราก็เดินจงกรมได้ก็ไม่ง่วงอะไรก็ไม่นานก็ระคังหมดยกพอดีก็ก็คือแต่มันก็ไม่ทุกคือปกติแล้วเราก็จะกังวลคือเราเป็นคนจริงจังเราก็อยากจะทำให้มันได้ดีมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำเต็มที่ก็ก็รู้สึกว่า การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มันจะผ่อนคลายกว่าที่ผ่านมาเยอะเพราะว่าตัวเองวางใจผิดที่ปฏิบัติธรรมมาแต่ละครั้งนี้วางใจไม่ถูกคือเหมือนเราเราอาจจะมีความอยากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อาการปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็ครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าเออโอเคก็ขนาดเนี้ยได้เทคนิคมาขนาดนี้การเปลี่ยนอารมณ์เทคนิคการเปลี่ยนอารมณ์เอาก้อนหินมากรรมอะไรแบบเนี้ยค่ะ ให้มันเปลี่ยนความรู้สึกเมื่อก่อนก็พยายามหาเทคนิคการเปลี่ยนอารมณ์หลายๆแบบเพื่อที่จะได้จัดการกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสภาวะที่มันมันทำให้เราแบบมีความเผลอมีความหลงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็หลักๆ ก, ก็คือว่าก็เปลี่ยนตัวหลงให้เป็นตัวรู้ที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้นะคะก็คือตัวหลงที่ตัวเองเข้าใจก็มีความเพลินความเผลอความเพ่ง ก็เปลี่ยนให้เป็นตัวรู้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ทําไปเรื่อยๆค่ะครับพระสงฆ์แล้วก็สามเณรแม่ชีแล้วก็สวัสดีญาติทรรมทุกท่านนะคะไม่รู้จะพูดอะไระชื่อแนนนะคะจันทิดาค่ะก็มาพูดแบบนี้ก็ครั้งที่สามแล้วค่ะก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะไม่รู้จะพูดอะไรก็เออ รู้สึกว่ามาปฏิบัติครั้งนี้ก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจแบบอะไรที่เขาเรียกเกิดปัญญาอะไรเงี้นน่าจะเป็นความคิดมากกว่านี่ไม่แน่ใจค่ะมาสองสามครั้งแล้วก็ยังรอบนี้ก็ยังจัดให้ตัวเองอยู่กลุ่มคนใหม่ะเพราะรู้สึกเหมือนใหม่ตลอดง่วงยังไงก็ยังง่วงอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนิดนึงตรงที่ว่ามันง่วงเหมือนเดิมแต่ว่ามันน้อยลงอะคะ่ะ ปกติมันจะแบบสับบงหกแรงมากปกติพอนึกแล้วจะรู้สึกอายตัวเองเหมือนกันค่ะเวลามันอย่างนี้เลยอย่างนี้มันแรงเห็นคนอื่นแอบดูแอบดูบดคนอื่นเขาแค่หลับหลับปแบเนี้ยแต่หนูมันแรงมันก็แต่พอครั้งนี้มันเบาลงก็รู้สึกดีขึ้น <c oughs> ก็ยังขี้เกียจอยู่ด้วยน่าจะเพราะว่าเบื่อมั้งค่ะสำหรับหนูอะค่ะตอนนั้นก็เหมือนส่วนใหญ่ที่มันง่วงเพราะมันนั่งอะค่ะ เดินก็ยังไม่เป็นไรแต่เหมือนคิดอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยพอเหมือนหยุดคิดมันก็ง่วงสงงางันคมันก็คิดถ้าไม่คิดก็ง่วงมันส่วนใหญ่ที่คิดนี่ก็รู้สึกว่าสนุกอะค่ะที่คิดเรื่องที่คิดมันค่อนข้างจะสนุกมันก็เลยคิดไปเรื่อยพอรู้สึกที่หยุดคิดดีกว่าอ่นั่งจะสร้างจังหวะมันก็ง่วงสงงางัน <c oughs> ขอโอกาสประเด็นพระกลหลวงพ่อนะก็เดินก็ ขอออตัวก่อนเาะว่าเกี่ยวกับเรื่องพระอาจารย์พง์เนาะที่พูดกับคณะมุญเยอะๆอันนี้แหละมันจะเป็นการประกาศคือไม่ได้มาตามนัดที่ทันนั่วไปคือมันมีเหตุมีปัจจัยอะเนาะแต่เชนใจตัวเองเนี่ยมันมันปกตินะครับเราแก้ตัวเองก่อนนะครับไปแก้บุคคลไม่ได้แต่แก้ตัวเองแต่เนืเรื่องมีคนาศรัทธาท่านมากนะครับ แต่ก็เป็นจะพูดออกจากใจว่ารักท่านเหมือนพอนะครับก็อยากจะพูดอย่างนี้แหละนะครับที่ไม่ได้ไปเจ็บอารมณ์กับลงพ่อกก็คือเราทําจิตตรงไหนที่ให้เป็นเขาเรียกว่าชุมชนนั้นได้ประโยชน์แล้วก็ที่สุดก็คือของเราด้วยเราก็ไม่ได้ไปนะครับก็มีโยมมาปฏิบัติแล้วก็มีาพระมวชใหม่ ก็เลยให้หมฆคณะอยากให้เขาไปซึมกับหลวงพ่อดูว่ามันจะได้เป็นรูนเดียวกันนะครับจะได้ไปด้วยกันได้ก็เลยให้หมคณะไปนะครับก็สมมุตินี่เขาเรียกว่าสําคัญนะครับเขาเรียกว่าถ้าเข้าหาหลวงพ่อแล้วจิตมันจะวางไปเยอะนะครับก็บผมบวชเจนีมาพันาหนึ่งผมก็ตัดสินใจเข้าหาหลวงพ่อเลยแล้วมันวางสิ่งไหนที่เราไม่รู้แล้วเราไป ได้ยินได้ท่นนที่ท่านพูดเน่ยมันหลุดนะครับมันมันหลุดก็คือมันไม่ยึดติดนะครับสังเกตตั้งแต่ออกไปกับหลวงพ่อนี้มันวางใจได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทบไม่ว่าจะเป็นการอะไรนี่มันมีแต่ในปัจจุบันที่ทำการเคลื่อนกันไว้เออมันจะไม่มีอดีตมันจะไม่มีอนาคตแต่มันมีมันก็จะกลับมันมาเร็วนะครับมันจะทำหน้าที่ให้มันดีที่ตรงที่เราทาตรงนี้นะครับ ทำให้มันรู้เนื้อรู้ตัวนะครับก็เลยทามาทุกวันนี้ถือว่าได้ผลนะครับออถามว่าเป็นยังไงก็มันก็เป็นเป็นอาการของสภาวะรูป ก, กับนามนะครับกายกับใจที่เราได้เรียนรู้มันเป็นฐานให้เราได้ศึกษานะครับก็นงพ่อท่านได้บอกให้ถามว่าความเพลินเนาะความเพลินก็เกิดจากความหลง เ, ออเพราะว่าเราทำอะไร เ, เพลินนี่เราจะไม่อยากจะพูดง่ายก็คือ มันเป็นการเสพอารมณ์แบบเขาเรียกว่าทางใจเนาะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบไหนก็ช่างที่ที่มันเพลินเดินยดียงกรมอย่างเงี้ยถ้าเดินไป น, นานๆอย่างเงี้ยมันก็จะเพลินเออหรือว่ายกมืออย่างเงี้ยอะไรก็ช่างนะครับถ้าเราทําแล้วมันเพลินเนี่ยเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่เอาตัวรู้เลยว่าตัวเคลื่อนไหวเนี่ยมาการเดินการอะไรให้มันมีหลายรูปแบบนะครับเขาเรียกว่า ฝึกในการเคลื่อนไหวในทางจิตนะครับจเช่นกระทบปั๊บอย่างเงี้ยมีการพูดหรือว่ามีการกระทบทางเสียงอย่างเงี้ยเราจะไปเพลินอยู่ในอารมณ์ตัวนั้นแหะมันจะเป็นอุปทานมันจะไม่ออกจากในอุปทานตัวนั้นเพราะเราในทำทำปฏิบัติในนี้มั น, มนเป็นมันเป็นตัวเพลินนะครับแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวบ่อยยกมือเงี้ยหรือว่าทําอะไรก็ช่างให้มันเคลื่อนไหวเลยเล่นกับจิตอย่างเงี้ยคืออาตมาสังเกตหลวงพ่อคลี่ไปกับท่านนั่งคือ ชอบสังเกตท่านจะไม่ค่อยอยู่เฉยนะครับท่านจะเคลื่อนไหวอย่างนี้เล่นจิตนะครับใครเขาเรียกว่าเล่นกัน เ, เล่นจิตก็คือเอาจิตเนี่ยฝึกให้มันเป็นความเคยชินนะครับเวลามีอะไรกระทบปั๊บเนี่ยเราก็จะกลับมามันจะเร็วนะครับตัวเนี้ยอาตมาก็ได้ศึกษาตัวนี้มา ม, มันได้ผลนะครับเนี่ยตัวตัวเพลินีสําคัญนะครับไม่ว่าใครจะปฏิบัตินั่งหรือว่าอิริยาบถไหนก็ช่างถ้าเราเพลินเนี่ยมันจะไปละไอตัวที่เราติดลมียากนะครับ ที่อาตมาสังเกตเนาะที่ความเข้าใจแต่ถ้าเราฝึกมีการที่จะเคลื่อนไหวไบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นความเคยชินในการที่เราจะเล่นจิตกับไม่ให้มันไปนเสพอารมณ์ที่มันก็คือเราสามารถเรียกได้นะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยณปัจจุบันสังคมทุกวันเนี้ยมันต้องมีการกระทบมันต้องมีการเจอกันเราก็ต้องฝึกพวกนี้ก่อนนะครับไม่ต้องไปเอาอะไรมากแค่แค่ฝึกเอาจิตอนะ มาอยู่กับกายแล้วก็อิริยาบถไหนก็ช่างให้กายกับใจมันไปด้วยกันนะครับไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวแบบไหนคุณจะทําอะไรก็ช่างนะครับเนี่ยสังเกตแล้วมันมันได้ผลนะครับคือมันเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันสักแต่ว่าเห็นเห็นแบบว่าเห็นแล้วมั น, ม, นมันไม่ใช่แบบรู้ซื่อๆแล้วว่ารู้รู้เฉยๆที่เขาว่า รู้ซื่อๆนี่ก็คือสิ่งไหนที่เราไม่ควรจะทําเนี่ยเราก็อยู่เฉยๆแต่ถ้ารู้แบบซื่อๆนี่สิ่งไหนที่เราควรจะไปทําเนี่ยคือเราไปกับหลวงพ่อเนี่ยจะเข้าใจกันคําว่าเข้าใจแบบไหนคือเราต้องรู้จักสมมุติไปกับลวงพ่อเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติเราต้องเข้าใจในสมมุติเนี่ยสมมุติแบบนี้ครับเขาให้ยกมือเขาให้ยกมือนะครับเราก็ต้องยกให้ถูกนะครับสิบสี่จังหวะเนี่ยอันนี้ก็สมมุติ นะครับทำงานกับหลวงพ่อนี่เราต้องรู้จากสมมุติคล้ายๆว่าเราแสดงหนังแต่แสดงหนังในทางนี้มาเข้าในเขาเรียกว่าเป็นการมาดูจิตดูใจเป็นการละเป็นการมาดูใจแล้วละส่วนในทางโลกเขาแสดงหนังเนี่ยเป็นการมีทิฏฐิอัตตาตัวตนเป็นการทำให้หลงแต่องเรานี่เป็นการเข้ามาดูใจแล้วละนะครับเนี่ยเป็นไปกับหลวงพ่อนี่จะเข้าใจกันนะครับแล้วสนุกนะครับ ไม่ใช่ว่าสนุกไปกับหลวงพ่อนี่แต่ถ้าใครได้ไปเข้าไปหาใกล้ๆกับหลวงพ่อหรือไปซึมซับกับหลวงพ่อดูธรรมชาติท่านจะอ่อนโยนมากเพราะาอัตมาได้ไปสัมผัสแล้วนะครับสังเกตแล้วก็วคือมันมันรู้ใครรู้มันเนาะแต่ในสมมุติเราต้องทําหน้าที่ให้ดีนะครับไปกับหลวงพ่อนี่คือมีหน้าที่ยกมือเราก็ต้องยกมือนะครับเราต้องทําได้ทุกณสถานาการณ์นะครับไม่ใช่ว่า จะยกในรูปแบบอย่างเดียวจะก็ใครว่าหลงพ่อให้ทําอะไรเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่าสมมุติอย่างเงี้ยเราต้องยอมท่านหมดท่านจะดา่าท่านจะว่าท่านจะทํายังไงก็ช่างคือสมมุติเน่ยเราต้องให้ท่านเป็นใหญ่อย่างเงี้ยพอออกมาแล้วก็ตัวไข่ตัวมัน <c oughs> ตัวไข่ตัวมันก็คือยังไงรู้ไข่รู้มันนะครับมันไม่สามารถรู้ของกันได้มันก็เลยเข้าใจอย่างนี้ไปทํางานกับหลวงพ่อนี่มัน มันรู้ถึงมันรู้ถึงกันอย่างนี้ไงเออท่านจะว่าจะด่างไงก็เอาไปเลยหลวงพ่อให้เต็มที่ในสมมุติแต่หลังจากนั้นก็เราก็เลยไปสัมผัสกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นท่านอ่อนโยนมากนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ให้ทุกคนนะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็ตั้งใจนะครับรู้สึกตัวอย่างเดียวนี่แหละก็ขอให้มีควสุขความเจริญนะครับ